ตามดูจิตพระโพธิยานเทระหลวงปูชาสุพัทโทวัดนองป่าพงบัดนี้เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีการอบรมธรรมะปฏิบัติกันพระบรมศาสดาท่านกล่าวถึงการปฏิบัติไว้ว่าบุคคลที่ยังไม่ได้รับการอบรมปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจในธรรมไม่เข้าใจในธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ หรือในสัญชาตญาณที่คู่กับเรามาแต่เกิดธรรมชาติอันนี้หรือสัญชาตญาณอันนี้มันเกี่ยวข้อง ก, กันกับชีวิตของเราตลอดเวลาจะเรียกว่าของที่มันเป็นอยู่ก็ได้เรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้มันมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในนั้นซึ่งช่วยป้องกันรักษาตัวมันเองมาตลอดสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเกิดมามันต้องรักษามันละ การรักษาตัวปกป้องชีวิตป้องกันอันตรายทั้งหลายสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตนี่เหมือนกันหมดเช่นสัตว์ยรชานมันก็กลัวอันตรายสแสวงหาความสุขเหมือน ก, นกันกับสัญชาตญาณมนุษย์เราอันนี้ท่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติหรือสัญชาตญาณจะมารักษาตัวมันตลอดเวลาธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติเรื่องกายหรือเรื่องจิตใจ เราจะต้องมารับการอบรมใหม่เปลี่ยนใหม่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับการอบรมบวมนิสัยก็คื อ, อยังเป็นของที่ไม่สะอาดอยังเป็นของที่โสโปรกเป็นจิตใจที่เศร้าหมองเหมือนกันกับต้นไม้ในป่าซึ่งมันเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติถ้าหากว่ามนุษย์เราต้องการจะเอามาทาประโยชน์ดีกว่านั้นก็ต้องมาดัดแปลง สสางธรรมชาติอันนี้ให้เป็นของที่ใช้ได้เช่นโตะนี้หรือบ้านเรือนของเรานั้นเกิดจากเราสามารถเอาธรรมชาติมาทำเป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติดันนั้นมามนุษยชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ คือความรู้ทางพุทธศาสนาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราทั้งหลายซึ่งมันติดแน่นอยู่ในอันใดอันหนึ่งเช่นเราเกิดมามีชื่อเสียงเรียงนามมาตั้งแต่วันเกิดเช่นว่าเรียกว่าตนตัวเราของเรานี้สมมุติกันขึ้นมาว่าร่างกายของเราจิตใจของเราซึ่งสมมุติชื่อขึ้นมาจากธรรมชาตินั่นเองพวกเราทั้งหลายก็ติดแน่นอยู่ในตัวเรา หรือในของของเราเป็นอุปาทานโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นอย่างนี้ในทางพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้รู้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกทาจิตใจให้สงบให้รู้ยิ่งเข้าไปยิ่งกว่าธรรมชาติที่มันเป็นอยู่จนเป็นเหตุให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอันนี้พูดตามชาวโลกเราว่าตัวว่าตน ว่าเราว่าเขาทางพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่าตัวตนเราเขาไม่มีนี่คือมันขัดแย้งกันมันแย้งกันอยู่อย่างนี้ตัวเราหรือของเราซึ่งพวกเราเข้าใจกันตั้งแต่เราเกิดมาจนรู้เดียงสาจนเกิดเป็นอุปาทานมาตลอดจนทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องปกปิดธรรมอันแท้จริงอันพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนื้อรู้ตัว ฉะ น, นั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้มาอบรมการอบรมในทางพุทธศาสนานั้นเบื้องแรกท่านว่าให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตามบัญญัติท่านเรียกว่าให้พากันรักษาศีลเป็นเบื้องแรกเสียก่อนนี่ข้อประพฤติปฏิบัติจนเป็นเหตุไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดทุกข์ทางกายและทางวาจาของเรา อย่างที่เราทั้งหลายอบรมกันอยู่ให้อายและกลัวทั้งอายทั้งกลัวอายต่อความชั่วทั้งหลายอายต่อความผิดทั้งหลายอายต่อการกระทําบาปทั้งหลายรักษาตัวกลัวบาปเมื่อจิตใจของเราพ้นจากความชั่วทั้งหลายพ้นจากความผิดทั้งหลายใจเราก็เยือกเย็นใจเราก็สบายความสบายหรือความสงบอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัต ซึ่งไม่มีโทษนั่นก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพพะปาปัสสะอาักการนังกุสลาสุปสัมปทาสัจิตตาป ร, ริโยท ป, ปนังเอตังพุทธานะศาสนังท่านว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา สัพพปปาปัสสะอากาักกระนังการไม่ทำบาปทางกายทางวาจาคือการไม่ทำผิดทำชั่วทางกายทางวาจาอันนี้เป็นตัวศาสนาเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือเอตังพุทธะศ า, าสนงกุศลสุปสัมปทาเมื่อมาทำจิตของตนให้สงบระงับจากบาปแล้วก็เป็นจิตที่มีกุศลเกิดขึ้นมา เอตังพุท ธ, ธานาศาสนงอันนี้เป็นคำสอนของท่านหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเหมือนกันสัจจิตตาป ร, ริโยทปนังการมาทำจิตใจของตนให้ผ่องใสขาวสะอาดเอตังพุท ธ, ธานศาสนงอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง ทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ประพฤติปฏิบัติอันนี้ซึ่งมันมีอยู่ในตัวเราแล้วกายก็มีอยู่วาจาก็มีอยู่จิตใจก็มีอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ปฏิบัติให้พิจารณาตัวในตัวในของตัวซึ่งมันมีอยู่ของทั้งหมดที่เราศึกษาเราเรียนกันนั้น มันจะมารู้ความเป็นจริงที่ตัวของเราไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นเรื่องแรกก็รู้จักการได้ฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาการได้ฟังการได้ยินอันนี้ก็เป็นเหตุให้รู้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเช่นว่าสมมุติว่าวันนี้เราเพิ่งได้ยินว่าสีขาว แต่ก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินทีนี้เมื่อเรารู้ว่าสีขาวมันเป็นเช่นนี้เราก็คิดไปอีกสีอื่นจะไม่มีหรือหรือสีขาวจะแปลเป็นสีอื่นจะได้หรือไม่เป็นต้นนี่เรียกว่าจินตามยะปัญญาหรือว่าเราคิดไปก็ไปคิดลองดู เอาสีดำมาปนในสีขาวมันก็เกิดเป็นสีอื่นขึ้นมาอีกเป็นสีเทาอย่างนี้เป็นต้นการที่เราจะได้รู้จักสีเทาต่อไปนั้นก็เพราะว่าเราคิดปัญญาเกิดจากการคิดการวิพากวิจาร์เราเลยรู้สูงขึ้นไปกว่าสีขาวรู้สีเทาเพิ่มขึ้นไปอีกปัญญาเกิดจากสิ่งทั้งสองนี้ นี้เป็นปัญญาที่เป็นโลกิยาวิสัยซึ่งชาวโลกพากันเรียนอยู่ทั้งเมืองไทยจะไปเรียนนอกมาก็ตามมันก็คงอยู่ในสุดตามยปัญญาจินตามยะปัญญาเท่านั้นอันนี้เป็นโลกิยาวิสัยพ้นทุกไม่ได้พ้นทุกได้ยากหรือพ้นไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเมื่อรู้สีขาวสีเทาแล้วก็ไปยึดมั่นคือเกิดอุปาทานในสีขาวสีเทาอันนั้น แล้วจะปล่อยวางไม่ได้เช่นว่าเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ยินเขาว่าเราไม่ดีเรียกว่านินทาอดเสียใจไม่ได้อดน้อยใจไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือเกิดอุปาทานในอารมณ์อ น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปาทานนี้เรียกว่าการรู้หรือการเห็นจากการได้ฟัง มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้หรือว่าเขาสรรเสริญเรามันอดดีใจไม่ได้แล้วก็เข้าไปยึดมัน่นถือมั่นในความดีนั่นอีกไม่ได้ตามปรารถนาแล้วก็ทุกข์อีกสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีเป็นตัววัตตะหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ปลไปไม่จบอันนี้เป็นโลกิยาวิสัยเช่นที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี้ละ่ะ พวกเราทั้งหลายก็เคยรู้เคยเห็นวิชาในโลกอันนี้เราเคยรู้เคยเห็นจะเรียนไปถึงที่สุดอะไรที่ไหนก็ตามมันก็ยังทุกข์เอาทุกข์ออกจากตัวไม่ได้นั่นเป็นปัญญาโลกีละทุกข์ไม่ได้ไม่พน้นจากทุกข์ความร่ำรวยเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีที่อยู่ในโลกนี้มันก็ไม่พน้นจากความทุกข์ เพราะมันเป็นโลกิยวิสัยปัญญาทั้งสองประการนี้ท่านยกให้โลกปกครองกันอยู่ในโลกวุ่นวายกันอยู่ในโลกไม่มีทางจบถึงแม้จะจนมันก็ทุกข์ถึงแม้จะรวยแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่อีกไม่พ้นไปจากทุกข์ปัญญาโลกกจระ ที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปเป็นความรู้ของพุทธศาสนาซึ่งเป็นโลกุตระพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏะสงสารอันนี้ท่านพูดถึงการอบรมจิตใจคือภาวนาไม่ต้องอาศัยการฟังไม่ต้องอาศัยการคิดถึงฟังมาแล้วก็ดีถึงคิดมาแล้วก็ดีเมื่อภาวนาทิ้งมันทิ้งการฟังไว้ทิ้งการคิดเสียเก็บไว้ในตู้ แต่มาทำจิตคือภาวนาอย่างที่พวกเรามาฝึกกันอยู่ทุกวันนี้หรือเรียกว่าทำกรร ม, มฐานที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านแยกประเภทส่วนแห่งการกระทำแยกข้อประพฤติปฏิบัติเรียกว่าสมถกรร ม, มฐานและวิปัสสนากรร ม, มฐาน